พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นผู้ใดมีจิตฟุ้งซ่านเมื่อมานั่งสมาธิภาวนารวมมูอยู่อย่างนี้ก็ให้ ตั้งสติมันเข้มแข็งอย่าไปทำใจอ่อนแออาศัยกำลังความดีของคนหมู่มากรวมกันเข้ามันก็เป็นการช่วยอุปถัมภ์ จิตใจของผู้ที่อ่อนแอให้เข้มแข็งขึ้นบางคนก็ช่วยตัวเองไม่ได้เนื่องว่าควบคุมจิตของตนไม่ค่อยได้แต่ส่วนหลายนะ่มักจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราจึงได้รวมกันอยู่เป็นหมเป็นคณะ ไม่ว่าสมัยใดและโลกอันเนี้ยพวกที่หวังดีต่อตนเองมันก็ต้องรวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นพวกแล้วก็แสดงความสมัรสมานสามัคคีกันไม่แสดงความจงเกลียดจงชังกัน แสดงความยินดีต่อกันและกันในทางปฏิบัติต่างคนต่างก็ทำความดีต่างก็แสดงความยินดีในความดีของกันและกันถ้าทำได้อย่างนี้แล้วก็มันก็คล่องแค่วดีการปฏิบัตินะมันก็มีกำลังใจขึ้น ถ้าหากว่าเราอยู่โดยลำพังผู้เดียวอย่างนี้ถ้าหากว่าคนที่ไม่มีกำลังใจเข้มแข็งพอก็ไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ถูกกิเลสมันฉุดค่าไปในทางที่ไม่ดีนั่นแหละเพราะว่า กำลังศรัทธากำลังปัญญาอะไรมันก็อ่อนไปกำลังความเพียรหมดนั้นะกำลังสติกำลังสมาธิมันก็อ่อนเพราะฉะนั้นจึงช่วยตัวเองยังไม่ได้ให้พากันเข้าใจเราจึงได้รวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นคณะหมายถึงว่าคณะนี่ หมายเอาผู้ที่ยินดีปฏิบัติธรรมเพื่อชำระ ก, กายวาจาใจของตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสป่าประธรรมต่างๆเพราะตนมองเห็นแล้วว่าความทุกข์ทั้งหลายแหละทั้งทุกข์ทางกายและทางจิตใจมันก็มาจากกิเลสนี่เป็นมูลเหตุ กิเลสเป็นเหตุให้คนเราทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างทำกรรมไม่ดีไม่ชั่วบ้างแล้วก็ได้เสวยผลเป็นวิบากเป็นอย่างนั้น <c oughs> เมื่อได้ทำกรรมดีกรรมชั่วมันก็ต้องได้เสวยผลของการกระทำนั้นไม่เร็วก็ช้าไม่ช้าก็เร็ว แล้วแต่การเวลาของมันกรรมบางอย่างที่ทำมันก็ยังไม่ให้ผลในชาตินี้มันจะต้องไปให้ผลในชาติหน้าอย่างนี้นะ <c oughs> อย่างสมมติว่านายกอไปฆ่าคนเข้าไปให้ตายลงในในชาตินี้ แต่แล้วกรรมที่ทำนั่นแทนที่ว่าจะถูกคนอื่นมาฆ่านายกอให้ตายตอบแทนกันอย่างนี้นะี่มันเป็นไปไม่ได้ก่อนแต่บางรายก็อาจเป็นได้แต่แล้วนายกอนั้นก็ยังทำมาหาเรื่องที่เป็นไปด้วยดีอยู่อย่างนั้นแหละเป็นไปตาม บุญตามกรรมของตัวเองอยู่นั่นแหละกรรมชั่วที่ทํานั้นยังมาตามสนองอย่างว่านี่ยังไม่ได้แต่ว่ามันสนองทางจิตใจจิตใจย่อมเป็นคนใจดำเอามาหีบจ้วงั่นแหละอยากจิตรพี่มันจะมีใจเป็นบุญกุศลแต่มีอยู่ใจบุญนะ่ะมีได้เป็นครัง้งเป็นคราว อันนีการปฏิบัติทางจิตใจก็ต้องไข่ควรพิจารณาให้เห็นเหตุปัจจัยของชีวิตดังกล่าวมานี่ตามความเป็นจริงเมื่อมองเห็นเหตุปัจจัยแห่งชีวิตดังกล่าวมานี้เห็นแจ้งประจักษ์โดยปัญญาแล้วผู้นั้นนดีมันจะเพียนพยายามละเว้นจากกรรมอันชั่ว จึงจะเป็นผู้ขยันมันเพียนไม่เกียดคร้านถ้าไปเกียรคร้านเสียเกแลตัญหาบาปธรรมนี่มันก็จะถุดคล้าไปสู่อัปบยภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้อนตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นน่ะผู้ที่ มีความเห็นโถเห็นชอบตามคำสอนของพระเจ้าแล้วก็ย่อมเชื่อเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริงนี่พระองค์เจ้าไม่ไม่ใช่หลอกลวงคนนะเพราะองค์ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิง่งจริงจริงจึงได้ทรงนำมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟัง เริ่มต้นไปมันก็ตั้งแต่กิเลสที่แหละความโลภความโกรธความหลงมานะทิสิต่างๆมว่นี้นะมันดองอยู่ในสันดานของคนเรานี่มานับชาติไปทวนเลยกิเลสเหล่านี้หละเมื่อคนใดไม่เห็นโทษเขามาไม่เพียรละมันอ่ะมันก็ ดนจิตใจให้ทําบาปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวโมวสาวาดคือผูดเทศ ด, ดื่มสุราเมรัยเครื่องดองผองเมาต่างๆเช่นกัญชายาฟินเฮโรอีนบุหรี่มูเนี่ยมันก็ ต้องเสพกับของเสพติดเหล่านี้ได้เลยเพราะว่าถูกกิเลสเอล่านี้มาครอบงำนี่มองไม่เห็นว่ามันมีโทษมีภัยอย่างไรอะต่อชีวิตของตนเองและผู้อื่นมองไม่เห็นเลยก็วความหลงมาเข้าครอบงำจิตใจมากเมื่อบุคคลทำ กรมชั่วอย่างนี้ด้วยอำ น, นาจของกิเลสแล้วบัานีก็จะต้องไปเสวยผลแห่งกรรมชั่วที่ตัวทำนั้นท่านเรียกว่าวีปากวัตนี่หมายความว่าวัตตะเนี่ยมันหมุนเวียนไปอย่างนี้แหละถ้าว่าบุคคลไม่ละกิเลสเสียตาบใดแล้ว มันก็จะเป็นเหตุให้ทำบาปบ้างทาบุญบ้างตายแล้วก็จะต้องไปเสวยผลของบุญของบาปเมื่อหมดวิบา ก, กรรมเหล่านั้นเอากลับมาเกิดในโลกนี้อีกมาหลงทำความดีความชั่วเข้าไปตายแล้วก็ไปเสวยผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไปอยู่อย่างนี้แหละ ชีวิตของมนุษย์เราน่ะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไ้ว่าตะโตโลโกชัดโลกนี้ย่อมหมุนไปตามอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทำเอาไว้เมื่อเมื่อเราได้ยินได้ฟังอย่างนี้นะลองคิดดูว่าในตัวของเรานี่นนะ มันมีไหมเหล่ากิเลส ท, ที่จะพาให้ทํากรรมดีกรรมชั่วนั่นนะแล้วจะต้องได้ไปสวยวิบากกรรมเหล่านั้นน่ะมันเป็นไปได้ไหมทุกคนต้องปรวจ ด, ดูจิตใจตัวเองนี่มันก็รู้ได้เลยถ้ากิเลสยังมีอยู่ในจิตใจเขาตนออย่างนี้นะแล้วสมมุติว่าถ้ า, าว่าตนไปรู้อำนาจ แกกิเลสเหล่านั้นแล้วตนจะทำบาปมีปานาติบาตเป็นต้นได้ไหมได้แน่นอนเลยทีเดียวอ่ะเอาไปรู้อำนาจแกกิเลสเส้นความโลภอย่างนี้นะความโกรธหมูเนีย่ยถ้าไม่ฆ่าสัตตดชีวิตให้ตายแต่แล้วมันก็ไป เป็นเหตุใได้ไปเบียดเบียนผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนด้วยการไปช่อไปโกงไปหลอกลวงไปใช้อำนาจปาเทินขู้รีดเอาสมบัติเงินทองของคนอื่นมาเป็นของตอนหดือมีสถานเกาะไะทุกไปตีผู้อื่นให้เจ็บให้ ป, ปวดให้เสียองค์ฆ่ไปหรือตามก่อนนั่นลงมา ก็ทะเลาะวิวาดกันด้วยการกล่าววาจาทิ่มแทงซึ่งกันและกันให้เจ็บอกเจ็บใจหรือไม่เช่นนั้นก็ยุยงให้แตกสามัคคีกันจับเอาเรื่องของผู้นี้ไปพูดให้ผู้นั่นฟังจับเอาเรื่องของผู้นั่นมาพูดให้ผู้นี้ฟังในทางที่ไม่ดี เมื่อเป็นเจ น, นีแล้วก็คนหูเบาก็ไปเชื่อทันทีเลยนี่แหละคนใจไม่หนักแน่นนะคนใจเบาไม่ใช่หูเบาหรอกความจริงนะหูมันไม่เป็นอะไรหรอกมันสำคัญอยู่ที่ใจนู้นใจมันเบาเล ะ, ละแหละเมื่อใครนำเอาเรื่องของคนโน้นว่าไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ มาพูดให้ฟังหรือว่านำเอาเรื่องคนโน้นว่าว่าคนนั้นอ่ะว่าให้คุณอย่างนั้นว่าให้คุณอย่างนี้ยกโทษคุณอย่างโน้นอย่างนี้ไอ้ผู้ได้ยินเข้ า, านี้ก็ไปเชื่อทันทีว่าเขาว่าให้ตนจริงโกรธทันทีเลยหาเรื่องทะเลาะวิวาทกันขึ้นมามนี้นะ นี่แหละคนเรานะ่ะเมื่อมันถูกกิเลสตัวนี้ครอบงำย่ำเยียเอาแล้วจิตใจเบาเหมือนกับนุ่นเลยพอมีเรื่องไม่ดีไม่งามอะไรกระทบกระทั่งมาก็วันไหวไปเลยแสดงกิริยากายวาจาไปตามกิเลสนั่นนั่นเนี่ยเช่นมีสิ่งมายั่วให้เกิดความรัก มันก็เกิดความรักความใคร่อย่างรุนแรงไปเลยอย่างนี้ธรรมดาจิตใจที่ไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่ได้มีเรื่องมากระทบกระทั่นยั่วให้เกิดความโกรธไม่ได้พินาะน่าหลังอะไรกบโกรธไปทันทีเลยเมื่อโกรธอยู่ในใจแล้วระงับได้ก็ยังนวาเป็นฐานดี แต่นี่ส่วนมากมัละงับไปได้มันแสดงออกทางกายทางวาจาหนนแสดงกิริยาอยาบคายต่อกันและกันทางกายทางวาจาออกไปนี่แหละลิดเทแห่งความโกรธแห่งความโลภคนเราอยู่ดีๆกันก็แตกสามัคคีกันไปได้เมื่อต่างคนต่างไม่ละกิเลสเหล่านี้นะ สามีภรรยาเมื่อเวลาก่อนแต่งงานก็รักใครกันเหมือนกับว่าจะสละชีวิตเพื่อกันและกันได้นู่น ถ, ถึงได้ยอมแต่งงานกันอันเมื่อแต่งงานกันมาแล้วเวลาที่พังเผอการงานยุ่งยากเข้าบัง เงินทองขาดมือไปบ้างเอาละจิตใจก็ฉุนเฉียวขึ้นมาพอกระทบกระทั่งกันนิดนิดน่อยๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นไม่ยอมให้อภัยซึ่งกันและกันเลยทะเลาะวิวาดกันอย่างรุนแรงเอาแปรมาก็เลยอย่าร้างกันไปตั้งตัวให้เป็นฝังเป็นฝาไม่ได้เลย ในกลายเป็นคนละเหเลยล่อนไปชีวิตนี่เลยไม่มีความหมายแล้วแม่เป็นนักบวชก็เหมือนกันเนยถ้าว่าต่างคนต่างไม่ทำความเพียรพยายามละกิเลสเป็นด้เพียงว่ามาซ่อนตัวอยู่ในป่าในเขาเฉย เราไม่ตั้งใจทำความเบียนจริงๆเห็นแต่แกหลับแกนอนเห็นแต่แกอยู่แกกินอย่างนี้นะหน่อยหนึ่งมันก็เกิดทะเลาะวิวาทกันขึ้นเละนักบวชก็ดีเพราะว่ากิเลสนั่นี่มันเป็นเหตุต่างคนต่างไม่สำรวมจิตใจตัวเองไม่ภาคเพียรไม่ยามทากิเลสให้เบาบางลง มันก็ทะเลาะวิวาทกันได้เหมือนกันเละอย่าไปว่าแต่ชาวบ้านเลยนี่นักบวชก็ทะเลาะกันได้กิเลสนี่มันไม่เห็นแก่หน้าแก่ตาใครนะผู้ใดสะสมมันไว้เท่าใดแล้วมันก็ทำพิษออกมาเท่านั้นเลยดังนั้นนะควรพากันพิจารณาให้มันเห็น แต่ด้านไหนจึงว่ากิเลสน่ยมันเป็นเหตุให้คนเราทําบาปอ่แต่ว่ากิเลสบางอย่างกับัปันดานให้ทําบุญได้อยู่เหมือนกันไม่ใช่จะให้ไปทําแต่บาปหรอกความจริงเนี่ยเอ่นอย่างว่ากิเลสที่ไม่เจืออยู่ด้วยบาปอ่ะมันก็ต้องการอย่างมีความสุขอย่างนี้นะ มันให้เกิดความคิดนั้งคืนในใจอยากเป็นคนดีคนดีกับเขาในโลกเห็นคนอื่นเขาดีก็อยากดีเห็นคนอื่นเขามีเงินมีทองมีเกียรติยศชื่อเสียงตนก็อยากมีกับเขาบ้างเมื่ออยากเป็นคนดีอยากมีความสุขอย่างนั้นนะกับางเงินได้พบกับนักปราบบัณฑิต ได้ไปศึกษาใจถามท่านทำอย่างไรข้าพเจ้าถึงจะมีความสุขนักปราชญ์ท่านก็จะเนะนํำหนนทางให้เกิดซึ่ ง, งความสุขขึ้นให้ฟังก็เมื่อต้องการอยากมีความสุขก็ต้องเป็นผู้ละเหตุแห่งความทุกข์เสียแล้วก็มาดำเนินตามทางเหตุแห่งความสุขนั้น เพราะว่าทุกทมันมีเหตุมันมาจากเหตุไม่ใช่มันเกิดขึ้นอย่างลอยรอยดัง ว, ว่านี้ความสุขกับความทุกข์นี่นะมันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันแลกกันคือมันเป็นศัตรูกันก็นแล้วกันแหละเมื่อความสุขเกิดขึ้นความทุกข์ก็หายไปอย่างนี้นะมันจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ อันนี้เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นในขณนะจิตได้ความสุข ก, ก็หายจากขณะจิตนั้นเนี่ยไปทันทีอั น, นี้เมื่อย้อนมองดูต้นเหตุก็เหมือนกันเนะี่ยยกตัวอย่างเช่นเมื่อความโลคความตันหนีมันเกิดขึ้นในใจอย่างนี้นะไอความที่จะเป็นผู้ยินดีในการให้ การบริจาคทานอันนั้นก็ไม่มีแล้วหายไปเลยความยินดีในการให้การบริจาคัานหายไปทีนี้พอระงับความโลภความโกรธความตณีเหนียวแน่ น, นออกจากจิตใจได้อย่างนี้ใจก็เปิดกว้างออกเลยทีนี้ไม่คับแคบแล้วยินดีในการให้การบริจาคทานเท่าที่จะทำได้ อย่างนี้แหละก็ยังว่าธรรมะกับกิเลสนี่เนะี่ยมันเป็นคู่ป ร, รับกันน ะ, ะเมื่อธรรมะเกิดขึ้นกิเลสมันก็หายหน้าไปอย่งั้นทีนี้เมื่อบุคคลใดสะสมความโกรธให้หนาแน่นขึ้นในใจไอความเมตตาอารีนะ่ก็หายไปไม่มีละ่ะจะไปเอ็นดูกันนะ มองเห็นผู้นั่นเข้าเหมือนกับมองเห็นเสือคิดแต่จะกำจัดให้มันพ้นจากหูจากตาไปเลยเนี่ย็ปอย่างนั้นไปเมื่อหาว่าความโกรธมันเกิดขึ้นเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในจิตใจแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเมตตากรุณาธรรมนี่อยู่ไม่ได้ในใจนั่นนะอ้าทีนี้เมื่อบุคคลมา จเจริญเมตตาการุณานี้ให้เกิดขึ้นในใจให้มากขึ้นไปแล้ววันนี้ในความโกรธมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ในใจนั่นมันก็ระ ง, งับไปเพราะว่าเมื่อเมตตาธรรมเกิดขึ้นแล้วมันมองเห็นทั้งคนดีและคนชั่วนั้นก็เป็นบุคคลที่น่าสงสารไปหมดเลยไม่ใช่เป็นบุคคลที่น่ารังเกียจนีแ่เพราะว่า คนเหล่านั้นเขาก็ต้องการความสุขเหมือนกับเราอะแต่ว่าตอนที่เขาทำตนให้เป็นคนดีไม่ได้ก็เพราะว่าเขายังรู้อำนาจแกกิเลสอยู่เขายังเอาชนะกิเลสเหล่านั้นไม่ได้เหตุนัเขายึงทำดีไม่ได้แต่ถ้าหาว่ามีผู้ชี้แนวทางให้เขารู้จักหนทางแห่งความสุขความเจริญได้ เขาก็อาจที่จะทําความดีได้อยู่ไม่ใช่ว่าเขาจะต้องชั่วอย่างนั้นตลอดไปมันมีเวลาพื้นตัวให้เป็นคนดีได้อยู่คนเรานะ่ะเว้นเสียแต่ว่าผู้ใดทําบาปหนักเช่นทําอนันตริยกรรมนั่นนะเป็นฆ่ามารดาฆ่าปิดาเป็นต้นเหล่านี้แล้วเป็นอันว่าตัด แล้วบาปกรรมอันหนักหนานั้นไปตัดผลทางแห่งความดีของผู้นั้นขาดตอนไปเลยในชาตินั้นนะแม้บุคคลจะทําทความดีอย่างไรอย่างไรก็ไม่พ้นจากบาปนั้นหมายความว่างั้นบาปกรรมนั้นย่อมฉุดฆ่าเอาไปไม่อยู่ในอาเวจีมารนรกนู่นแต่ถ้าบุคคลใด ทำคำชั่วต่ำกว่านั้นลงมาเมื่อรู้ตัวว่าตนทำคำชั่วนั้นจริงเห็นโทษของมันแล้วบารมีมาสมรรมทานจะใจละเว้นเลยไม่ต้องการที่จะสะสมให้มันหนาแน่นต่อไปอีกแล้วห้าเพียรกระทาคุณงามความดีให้มากๆเข้าไปอธิษฐานใจละความชั่วนั้นไปทุกวันทุกคืนไป เช่นนี้แล้วกรรมชั่วนั้นมันจะตั้งอยู่ในใจของผู้นั้นไม่ได้เลยเมื่อผู้นั้นทำบุญกุศลความดีให้สูงขึ้นไปแล้วในขณะเดียวกันก็ไม่ส่งเสริมกิเลสนั้นให้หนานแน่นขึ้นอย่างนี้นะกิเลสนั้นมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันมันไม่มีอิทธิพลมากเหมือนอย่างคารุกรรมกรรมหนักดังกล่าวมานั้น การกระทำกุศลคุณงามความดีให้มากขึ้นไปแล้ววั น, นี้บาปธรรมเหล่านั้นก็ตามสนองไม่ได้เลยเลยเป็นอาโหสิกรรมไปอันนี้จะให้พากันพิจนารณาดูตัวเองให้ให้รู้ให้เข้าใจว่าตนเองมันมีบาปอะไรอยู่ในใจบ้างที่มันยังละไม่ได้มันมีกิเลสอันใด ที่มันมีกำลังกล้าอยู่ในจิตใจเนี่ยมันรู้ได้ทุกคนเลยถ้าพิจารณาดูตัวเองนะเช่นบางคนก็นอาจจะมีโทสะความโกรธความคิดประทุสร้ายเนี่ยยังหนาแน่นอยู่ในใจอย่างนี้นะรู้ได้เวลามีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบเข้ามาแล้วมันฉุนเฉียวขึ้นมาอะไรอย่างนี้ เรื่องที่ไม่ควรจะฉุนเฉียวก็ฉุนเฉียวขึ้นมาอย่างรุนแรงนี่นั่นจะให้พึ่งรู้ว่ากิเลสหยามหยาบอันนี้ยังมีอยู่ในใจของตนอยู่มันก็เป็นหน้าที่ของตนจะพึ่งหาทางกําจัดมันแหละด้วยการจเจริญเมตตากรุณาให้มากๆดังกล่าวมานั้นนะแล้วกิเลสเนี่นมันก็จะเบาบางลงอะ่ะเมื่อเราสร้าง เมตตาคือว่าเราสร้างความรู้สึกนึกคิดว่าเราปรารถนาที่จะให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันเลยไม่ปรารถนาที่จะให้ใครเป็นทุกข์เดือดร้อนนะนี่เรามาสร้างความนึกความคิดความรู้สึกอันนี้นะให้เกิดขึ้นในใจอย่างนี้นะได้ชื่อว่าสร้างคุณธรรมอันเป็นกุศลให้เกิดขึ้น ก็ดังที่เคยพูดมาบ่อยๆอยู่แล้วว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่สําเร็จแล้วด้วยใจหมายควาว่าบุญและบาปนี่นะมีใจเป็นใหญ่เลยถ้าใจไม่ชอบบาปเนี้ยชอบบุญกุศลแค่อย่างเดียวแล้วอย่างนี้มันก็ทิ้งบาปซะนั่นแหละไม่สร้างเอามันไม่คิดขึ้นมาแล้วบาปมันก็เกิดไม่ได้เลยที่มันเกิดมาแล้วนะั่นมันก็อ่อนกําลังไปอ่อนกําลังไป ในที่สุดมักระดับไปหมดเพราะว่าใจมาชอบบุญกุศลคุณงามความดีพยายามมีส ต, ติประคับประคองใจให้ยินดีพอใจอยู่แต่ในบุญในกุศลเรื่อมใส่อยู่ในคุณพระระรัตนาไกลนี่อย่างแรงกล้าอยู่เรื่อยไปเช่นนี้แล้วบาปก็ตามไม่ทันนะแะบาปรหุกรรมกรรมเบานะ่ะกรรมขนาดเบาะตามไม่ทันเลย เป็นเสียแตย่ะคารุกรรมกรรมหนักดังกล่าวมานั่นเนี่ยนี่ให้พึ่งพากันเข้าใจเรื่องบาปเรื่องบุญนี้ให้มันชัดเจนเมื่อผูใ้ใดเข้าใจอย่างนี้ได้แล้วผู้นั้นเนี่ะถึงแม้จะทํากรรมชั่วฝังสศีลบางอย่างมาซึ่งเป็นละหุกรรมดังกล่าวมานั้นนะมันก็ยังมีทางที่จะละได้อยู่อมายเขาว่าอย่างนั้น มียังมีโอกาสที่จะละกมชั่วอ น, นัน์ได้อยู่แล้วกมชั่วนั้นก็มีสิทธิที่จะระงับดับไปจากจิตใจทีเดียวแหละไม่เหมือนอนันตริยกรรมกรรมหนักดังกล่าวมานั้นอ น, นันต์ใครจะทำกรรมดียังไงยังไงมันก็ไม่พ้นนะต้องไปเสวยผลแห่งกมชั่วนั้นจนได้ ดังนั้นเลยในพุทธศาสนาในท่านจึงห้าไม่ทำโดยเด็ดขาดเลยอันโมนี้นะกิเลสอันเป็นเหตุให้คนเรากระทำกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันสันนิษฐานไว้ให้ดีมันก็ไปจา ก, กจิตดวงเดียวนี่แหละไม่ใช่อย่างอื่นใด ถ้าฝึกจิตตรงนี้ให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิลงได้แล้วเช่นนี้คนเราก็ทำแต่ความดีแหละเลื่อยไปนะความทั่วไม่ทำเพราะใจมันตั้งมั่นได้แล้วนี่มันมันยึดเอาความดีเป็นที่พึ่งได้แล้วดังนั้นนะอย่าไปเกียดครานการนั่งสมาธิภาวนาการทำความภาคเพียนเพ่ง ใจนี้ให้สงบให้เข้มแข็งอยู่ด้วยบุญด้วยคุณนั่นแหละผู้ดใดเกียดคลานแล้วไม่เพ่งจิตตัวเองแล้วก็จิตนี้จะอ่อนแออยู่เรื่อยไปอะจกไม่มีกําลังเข้มแข็งเลยเพราะฉะนั้นไอ้จิตนี้จะมีกําลังเข้มแข็งก็เพราะว่าเรานั่งสมาธิเข้าไปแล้วเพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไป สติอย่างเข้าไปให้มันถึงความรู้สึกนุ่นไปค่มความรู้สึกคือดวงจิตนั้นให้มันตั้งอยู่ภายในทีแรกเนี่ยมันต้องค่มด้วยนะต้องช่วยคมอะ่ะเราจะไม่ออกแรงเลยนะไม่ได้ใจนี่จะรอแหละอยู่งั้นเลยหรือในสำนวนหนึ่งท่านเรียกว่าสะกดจิต อย่างนั้นให้เข้าใจวิธีที่จะทําจิตใหส้สงบเป็นสมาธิลงไปได้เนะี่ยอย่าไปกลัวทุกการทําความเพียนอย่างนั้นเนะ่ะเมื่อเวลาไปสะกดจิตอย่างนั้นกิเลสอันมันมีอยู่ในหัวใจมันดิ้นเน่ยมันก็ปั่นจิตเอาเราก็ไม่ถอยเพ่งไม่ถอยเลยอะมันจะเดือดร้อนรุนแรงไงใน ใ, นใจช่างมัน่น มันเราเพ่งไว้ถอยสติมันแก่กล้าเข้าไปขันตีความอดทนมันเข้มแข็งเขาไว้มันก็เป็นธบธรรมอ่ะเผากิเลสอันมันหมักหมมอยู่ในใจนั้นให้มันระงับลงนั่นแหลเมื่อกิเลสหยามๆนั้นมันระงับลงในใจมันก็สงบลงได้ดังนี้แล้วให้พึงพากันเข้าใจวิธีป